ระหว่างการผ่อนอาหารหรืออดอาหารเป็นานานๆร่างกายย่อมมีความหิวโหอยอ่อนเพลียบ้างเป็นธรรมดาถ้าจะถือเป็นความทุกข์กังวลกับความหิวโหยก็ทําไปไม่ได้นี่ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งในการปฏิบัติธรรมฉะนั้นกรรมฐานผู้หวังความสงบสุขทางใจจึงมักทําตนให้อดอยากขาดแคลนเสมอทั้งที่ไม่อยากทําแต่จริตนิสัยและความหวังในธรรมนั้นพาให้จําเป็นต้องทนต้องทํา ที่ว่าอดบ้างอิ่มบ้างหรือผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างนั้นไม่ใช่ทำอยู่เพียงเดือนสองเดือนแต่พยายามทำอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยเป็นปีปีหรือจนเป็นที่แน่ใจตัวเองว่าจะไม่ต้องทำแบบนั้นอีกจิตก็ดําเนินตนไปได้ด้วยความสะดวกราบเรื่นไม่ครุขักก็หยุดจากวิธีเหล่านั้นได้ปฏิบัติดําเนินไปธรรมดาทั้งทางกายและทางใจแต่โดยมากเท่าที่เคยสังเกตมา ขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่ว่าชนิดใดและมีมากมีน้อยเพียงไรต้องแสดงตัวเป็นฆาสิตัวเราอยู่เสมอตามฤทธิ์ของมันที่ยังเหลืออยู่ในใจมากน้อยไม่เคยไว้หน้าใครแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นนักปฏิบัติที่ถือว่ากิเลสเคยเป็นฆาสิตรแก่ตนอย่างฝังใจย่อมไม่นอนใจที่จะเลี้ยงกิเลสไว้ด้วยความนิ่งนอนใจว่ามันจะกลายเป็นมิตจฉาตนไม่ก่อพิษภัยให้ได้รับความทุกข์ร้อน ใ, นใดๆอีกต่อไปแต่กลับเห็นเสียว่า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 จึงทำให้ท่านลดละปล่อยวางวิธีที่เคยได้ผลมาเสียมิได้โดยมากที่ท่านพยายามตะเกีวกตะกายฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆที่เห็นว่าได้ผลดีไม่ยอมลดละแม้เป็นเวลาหลายปีก็เพราะมีเหตุบังคับที่จำต้องให้ท่านพยายามดังกล่าวมาการผ่อนและการอดอาหารเพื่อความผินทางใจรู้สึกมีมากองในสายนี้น่าจะได้ผลดีกว่าวิธีอื่นๆเช่นอดนอนเป็นต้น ท่านจึงชอบอดกันตลอดมาจนทุกวันนี้การอดนอนถ้าลงได้ผ่อนอาหารอดอาหารแล้วย่อมเป็นไปในตัวโดยไม่จำต้องอดนอนด้วยความตั้งใจเพราะการผ่อนและการอดอาหารย่อมทำให้ไม่ง่วงเหงาห้านอนไปเองจะอยู่ตลอดคืนไม่นอนก็ไม่มีการงวงง่วงเหมือนรับอาหารเป็นปกติการพักนอนบ้างนั้นเพื่อเป็นกำลังทางกายไม่ให้อ่อนเพลียจนเกินไปต่างหา มใช่เพราะความง่วกบังคับให้ต้องหลับนอนในขณะที่กำลังพลหรืออดอาหารความจริงท่านที่พลนหรืออดอาหารได้ 3-4 มสี่วันล่วงไปแล้วย่อมหมดความง oo กง่วงซึ่งพอจะลดหย่อนในการหลับนอนไปได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องมีการบังคับไม่ให้หลับแต่อย่างใดแล้วการตั้งสติก็ง่ายการควบคุมจิตใจก็ง่ายจิตไม่ค่อยผาดผลและคึกขนองภายในอารมณ์ต่า ง, ตางสติไม่ค่อยเผลอตัว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 อำนวยไปในทางนั้นจำต้องฝืนเอาบ้างเพราะอยากได้ของดีจะทําตามวิธีง่ายๆและสะดวกแบบสุขาปฏิปทาขิปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ไดเร็วนั้นนิสัยก็ไม่อำนวยน่าจะอยู่ในขายแห่งทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทั้งปฏิบัติตาบากทั้งรู้ไดช้ากระมังจึงต้องขัดขืนกลืนลำบากเอานักหนาจะกลืนความสงบสุขคือสมาธิ และคลืนความฉลาดคือสติปัญญาเข้าส e ู so ่ใจได้แต่ละครั้งต้องประมวลความทุกข์เข้าสู่กาสู่ใจอย่างมากมายก่อนแทบทนไม่ไหวดีไม่ดีถลมหายใจไม่ยาวอยู่บ้างก็น่ากลัวจะตายไปก่อนได้รับผลเมื่อคิดถึงความเสื่อคลานของนักปฏิบัติแต่ละท่านกว่าจะได้ดื่มธรรมรสแต่ละครั้งละคราวรู้สึกแสนอดแสนทนที่นาสงสารอย่างจับใจ แต่ก็ยังดีที่ยังมีท่านผู้พอใจฝืนอดฝืนทนฝึกฝนทรมานตนเรื่อยมาไม่ลดละความเพียรพอได้ดื่มแสงอาทิตย์แสงจันทร์จากกระแสะแห่งธรรมด้วยการปฏิบัติของตนบ้างไม่ทนอดทนหิวไปตลอดพบชาติต่ตางๆที่จิตเที่ยวจับจองไว้จนไม่มีประมาณพอนับอานได้ถ้าพิจารณาตามความจริงที่จิตจำต้องยอมรับตามเหตุการณ์ที่ตนจะพึงประสบในพบชาติต่ตอไป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 สมกับเป็นสิทธิของพระโทศพลยานผู้กล้ากล้าหน้านักรบไม่ยอมหลบไม่ยอมหลีกทุกสมุทัยตัวกิเลสทุ่มห่อดวงใจหนานแน่นเพียงไรพยายามแก้ไขกัดฉีกออกด้วยสติปัญญาสถาความเพียรเครื่องฟาดฟันจนปรากฏธรรมอัศจรรย์เกิดขึ้นในดวงจิตชนิดไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่กาไหนเป็นความอัศจรรย์ใจตัวเองเกินคาดไม่มีสิ่งใดสามารถจะกาไวในอานาจอีกต่อไปได้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 ถ้าพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่และเสด็จมาพบเข้าขณะที่ท่านกำลังห้ามหันกลั่นความเพียรต่อยุดกับกิเลสกองทุกทั้งหลายอยู่อย่างทรหดอดทนน่าจะพอพระไทยทรงอนุโมทนาพร้อมกับลูกคราศีรษะปลอบโยนส่งเสริมด้วยพระวาจาอันอ่อนหวานว่าดูก่อนเธอผู้ลูกพระต ถ, ถาคตผู้ปรากฏเด่นชัดทางความเพียรเพื่อแดนแห่งพระนิพพานอันเป็นบรมสถานเวลานี้ เธอกำลังแสดงความกล้าหามชาญชัยต่อยุดกับศัตรูคู่อริอยู่อย่างเต็มฝีมือเพื่อรื้อพบพรือชาติขาดกระเด็นออกจากใจไม่ลดละเพื่อชื่อเสียงเกียรติคุณระบือลือลัน่นสนันทั่วใรพบกำลังพยายามขุดค้นต้นตอแห่งจอมฆ่าศึกคืออวิชชาผู้มหาอำนาจพาให้เกิดตายด้วยสติปัญญาแหลมคมอยู่หรือเราตถาคตขออนโมทนาสาธุการ ขอเธอจงทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานภายในใจอย่างเร็วไวัรีบด่วนเถิดทําดวงประเสริฐกําลังร อ, งรองจะโตกเข้าสูงเงื่อมือของเธอผูกเกี่ยงกาดฉลาดด้วยสติปัญญาอยู่แล้วเวลานี้ทั้งทรงปลอบทรงปลุกใจให้กล้ า, าหานทั้งทรงรูปทรงคลำศีษะไปมาให้เกิดสัทธาเหนียวแน่นแก่ น, นักรบด้วยพระวาจาอันอ่อนหวานทรงขับขานเกลียกล่อมให้กําลังใจด้วยการทรงอัญโมธนาในความเพียรของศักยะบุตร ผู้กาลังจะทรงวิมุติธรรมทางใจในเร็ววันนำธรรมอัศจรรย์มาสู่โลกเพื่อหายโศกสันต์ปัน่นปวนแห่งม น, มนุษย์ที่กําลังตกอยู่ในความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกิเลสตัณหาอันฉาบทายาพิชนิดแก้ไม่หายนอกจากธรรมโอสถโสสงตรงที่ดวงใจจากท่านผู้มีธรรมอัศจรรย์ทางภายในส่วนท่านที่ควรจะได้รับชัยชนะจากฆ่าศึกศัตรูเพราะความเพียรกล้า แต่พระศ า, าสดาม เ, ดเสดเดมาสมโพธโมทนธรรมด้วยเสียเพราะปรินิพานไปเสียโดยทางพระกายส่วนพระทัยอันบริสุทธิ์ย่อมเป็นเครื่องยืนยันไว้อย่างหนักแน่นตายตัวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถากตดังนี้ที่อธิบายซ้ำอีกบ้างนี้เป็นความเพียรเกี่ยวกับการผ่อนหรืออดอาหารของพระปฏิบัติที่หนักในทางนี้ผลที่พึงได้รับกรุณาพิสูจน์เาเองตามในที่เขียนผ่านมา ปฏิปทาที่นำมาลงในนี้ผู้เขียนแน่ใจทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลว่าเป็นเครื่องกลมกลืนกันไปเพราะได้นำสิ่งที่ท่านเคยดำเนินและได้ผลมาแล้วมาลงเพื่อท่านผู้สนใจจะได้นำไปปฏิบัติบ้างซึ่งอาจเกิดผลต่งกล่าวมาท่านที่ชอบทรมานทางอื่นเช่นการนั่งสมาธิภาวนานานเป็นเวลาหลายชั่วโมงในบางโอกาสท่านก็ฝึกของท่านไปตามเหตุการณ์การนั่งนาน รู้สึกจะเป็นความทุกข์ทรมานมากกว่าวิธีอื่นๆเพราะเกี่ยวกับทุกขเวทนาที่โหล่กันมาในขณะนั้นถ้าสติปัญญาไม่ทันกับทุกขเวทนาที่โหล่กันมาอย่างหนักหน่วงแทบไม่มีปรงวางกายวางใจลงได้เวลานั้นย่อมจะฝืนทนนั่งต่อไปไม่ได้บรลลังสมาธิที่ขัดไว้ด้วยดีในเวลาปกติน่าจะแตกจากกันในไม่กี่ชั่วโมงอย่างไม่เป็นขบวน เพราะความเจ็บปวดรุ่ดเราเป็นไปทุกอวัยวะน้อยใหญ่หลังมือหลังเทา้ราร้าก็ถูกไฟเผาทำให้ร้อนกระวนกระวายทั้งกายทั้งใจส่วนภายในร่างกายเป็นเสมือนกระดูกทุกท่อนที่ต่อกันจะแตกระเด็นออกคนละชิ้นละอันเพราะความเจ็บปวดระบมไปทั่วร่างกายนอกจากนั้นใจยังแสดงความระสําระสายไปด้วยเพราะกลัวตัวจะตายในขณะนั้นจนได้ทาให้วันไป ทั่วร่างกายและจิตใจกลัวจะทนต่อไปไม่ไหวทุกขเวทนาที่แสดงขึ้นในเวลานั้นก่อนจะถึงเวทนาใหญ่ที่สำคัญกว่าเพื่อนมีถึงสามวาระล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานๆกว่าจะสงบลงลำพังตัวเองโดยไม่มีการกำจัดท่านทานด้วยวิธีด้วยวิธีต่างๆอย่างใดพอสงบลงไปสักพักก็เริ่มขึ้นมาอีกทำนองนี้ถึงสามครั้งแต่ละครั้ง เวทนาเหล่านี้ต้องตั้งอยู่และทราบซ่านไปตามสา ร, รพรางร่างกายน้อยใหญ่เป็นเวลานานค่อยสงบลงจนถึงวาระที่สีซึ่งเป็นวาระของทุกเวทนาใหญ่หรือกองทัพกองทุกใหญ่เข้ามาถึงบลังที่นั่งทัศมาที่อยู่เวลานั้นนับแต่กองทัพกองทุก์ใหญ่เข้าถึงตัวแล้วเท่านั้นร่างกายทุกส่วนเป็นเหมือนกองเพลิงทั้งกองเอาเลยข้างนอกกายเหมือนถูกไฟลน ข้างในกายเหมือนถูกทุบตีด้วยค้อนและทิ่มแทงด้วยเหล็กแหลมคมปรากฏว่าระบมไปหมดทั้งร่างราวกับจะแตกทลายจากการเป็นผุยผงไปคนละทิศละทางในขณะนั้นเพราะอำนาจความทุกข์ทรมานเผาผลาญอยู่รอบด้านทุกขเวทนาใหญ่นี้นับแต่ขณะที่ก้าวเข้ามาถึงกายแล้วไม่มีเวลาขยับขย้ายตัวออกพอได้รับความผ่อนคลายทางกายบ้างเลยมีแต่บีบขยี้ทุบตีให้แหลกไปท่าเดียว ตอนนี้แม่จิตจะกำลังพิจารณากับทำแขนงใดยอยู่ก็จำต้องถอยทับกลับย้อนสติปัญญาและกำลังทุกด้านเข้ามาพิจารณาทักทานกันอย่างเอาจิงเอาจังมิฉะนั้นร่างกายจิตใจะจะกลายเป็นทะเลไฟเป็นสมดเพราะทุกขเวทนากล้าสาหัสกำลังเหยียบย่ำทำลายกายและยังเขย่าใจให้สันสะเทือนไปด้วยความกลัวตายว่าจะสู้ไม่ไหวเพราะกายทั้งร่างกลายเป็นไฟทั้งกองในตัวเรา ไม่มีส่วนใดอยู่เย็นใจได้โดยไม่ถูกความกระทบกระเทือนจากทุกขเวทนาประเภทนี้นับแต่ขณะเริ่มนั่งจนถึงขั้นเวทนาใหญ่เกิดขึ้นถ้าผู้ยังไม่เคยประสบมาก่อนก็น่าจะไม่ทราบว่าอันไหนเป็นเวทนาเล็กอันไหนเป็นเวทนาใหญ่กลัวจะเริ่มเมาไปแต่เวทนาเล็กซึ่งเป็นเพียงลูกหลานของมันเท่านั้นว่าเป็นเวทนาใหญ่ไปเสียหมดทั้งที่เวทนาใหญ่ยังไม่ตื่นนอนก็เป็นได้ แต่ถ้าผู้เคยประสบมาแล้วก็ทราบได้ทันทีว่าเป็นเวทนาอะไรเพราะเวทนาใหญ่จะเริ่มปรากฏตัวนับแต่ห -6 ชั่วโมงล่วงไปแล้วก่อนหน้านี้มีแต่เวทนาเล็กซึ่งเปรียบกับลูกๆแ ล, ละหลานเท่านั้นมาเยี่ยมยอกเล่นเพอให้รำคาญสำหรับผู้ยังไม่เคยนั่งนานและไม่เคยพบมาก่อนน่าจะเริ่มโดนทั้งลูกหลานทั้งปู่ย่าตายายของทุกขเวทนาแต่ขั้นแรกคือ 2- อสาชั่วโมงแรก และให้เกิดความทุกข์กระวนกระวายแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าสติปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ไม่ทันอาจจะทนนั่งต่อไปไม่ไหวทั้งอาจจะรื้อบรรลังสมาธิเสียแต่ระยะนั่งได้เพียงสองสามชั่วโมงแรกก็ได้ทั้งที่เวทนาใหญ่ยังไม่ปรากฏเลยแต่จะเหมาอาว่าตนได้เผชิญกับเวทนาใหญ่จนทนไม่ไหวเสียแล้วความจริงยังไม่ถึงขั้นแตกหักกันเลยเฉพาะผู้เคยนั่งสมาธิภาวนาและเคยมีความสงบจิตมาพอประมาณ ตลอดการนั่งก็ได้นานพอสมควรราวสองสสชั่วโมงเป็นประจำความเพียรในเวลาหนึ่งหนึ่งย่อมทราบทุกขเวทนาต่างๆได้พอประมาณทุกขเวทนาเล็กที่เกิดขึ้นสองสาวาระแล้วสงบลงไปเองนั้นถ้ายังไม่เคยเจอเวทนาใหญ่มา ก, ก่อนก็น่าจะเรียกว่าเป็นเวทนาใหญ่ได้เหมือนกันแต่พอเจอเวทนาใหญ่จริงๆแล้วเวทนาเหล่านั้นเลยกลายเป็นเรื่องเล็กไป ความรุนแรงระหว่างเวทนาทั้งสองนี้ผิด ก, กันอยู่มากราวช้างกับแมวนั่นแหละเวทนาใหญ่เมื่อเกิดขึ้นเต็มที่แล้วอวัยวะส่วนต่างๆปรากฏว่าเจ็บปวดรวดร้าวและระบมไปหมดราวกับจะแตกทลายลงเข้าในขณะนั้นจริงๆความออกร้อนตามหลังมือหลังเทารุนแรงมากเหมือนมีคนมาก่อไฟหุงต้มแกงอะไรๆในที่นั้นกระดูกในอวัยวะส่วนต่างๆ เหมือนมีคนเอาค้อนมาทุบตีให้แตกให้หักไปในขณะนั้นเพราะความเจ็บปวดแสบ้อนสาหักจนไม่มีที่ปรงวางร่างกายจิตใจลงได้เลยปรากฏเป็นกองเพลิงไปทั้งร่างสิ่งที่จะสามารถต้านทานกันได้ในเวลานั้นมีแต่สติปัญญาศรัทธาความเพียรมีความอดความทนเป็นเครื่องหนุนหลังไม่ยอมถอยทัพกลับแพ้ค่าศึกที่กาลังโหมกันมาอย่างเต็มที่ราวกับจะบดให้แหลกละเอียดเป็นผุยผงไปในเวลานั้น ไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตลมหายใจสืบต่อกันไปได้อีกเลยขณะที่กําลังเข้าตาจนนั้นจิตจะหาทางออกด้วยวิธีอื่นใดไม่ได้ทั้งสิน้นนอกจากต้องปักหลักต่อสู้กันด้วยสติปัญญาอย่างถึงเป็นถึงตายเพื่อความจริงในกายในจิตที่ควรรู้ควรเห็นจากความเพียรเท่านั้นความอยากให้เวทนาหายและความคิดท้อใจว่าจะทนสู้ไปไม่ไหวเป็นต้น นี่คือสมุทยัยเครื่องส่งเสริมทุก์ให้มีกำลังกล้ายิ่งขึ้นจะปล่อยให้คิดขึ้นมาในขณะนั้นไม่ได้เด็ดขาดถ้ามาอยากร่มล ะ, ละลายแบบไม่เป็นท่ามีสติกับปัญญาเท่านั้นที่ต้องผลิตขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆเพื่อให้ทันกับเวทนาในเวลานั้นโดยแยกแยะกายเวทนาจิตออกทดสอบเทียบเคียง ก, กันดูจนทราบความจริงของแต่ละสิ่งอย่างชัดเจนด้วยปัญญา การแยกแยะ ก, กายควรถือเอาจุดสําคัญที่ว่าเป็นทุกข์มากกว่าที่อื่นใดออกพิจารณาเช่นกระดูกขาหรือกระดูกข่าเป็นทุกข์มากก็กําหนดจิตตั้งสติพิจารณาปัญญาลงในจุดนั้นว่ากระดูกนี้เป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นกระดูกกันแน่ถ้ากระดูกเป็นทุกข์จริงดังที่เข้าใจเวลาทุกข์ดับไปแล้วทําไมกระดูกจึงไม่ดับไปด้วยทุกข์เราถ้าเป็นอันเดียวกันดังที่เข้าใจสิ่งทั้งสองต้องดับไปด้วยกันจึงจะถูกกับหลักความจริง อันหนึ่งเวลาคนตายและหมดทุกข์ในร่างกายไปแล้วกระดูกยังมีอยู่ขณะนําไปเผาไฟกระดูกแสดงอาการเป็นทุกข์อย่างไรให้ปรากฏหรือไม่ถ้าไม่แสดงทุกข์คือความเจ็บปวดรวดร้าวให้ปรากฏเลยกระทั่งถูกไฟเผาจนกลายเป็นเท่าเป็นฐานไปเช่นั้นการไปเหมาเอาด้วยความสําคัญว่ากระดูกเป็นทุกข์ทั้งที่กระดูกไม่ได้เป็นทุกข์ดังเข้าใจนั้นจะไม่อับอายกระดูกและอวัยวะส่วนต่างๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันซึ่งไม่ได้เป็นตัวทุกข์ตามคำกล่าวหาบ้างหรือและถ้าทุกข์เป็นกระดูกจริงๆกระดูกมีมาแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้แต่ทุกข์ทำไมจึงมีขึ้นเฉพาะการเช่นเริ่มมีขึ้นในขณะนั่งสมาธินี้เท่านั้นทำไมจึงไม่มีทุกข์ติดทุกข์ต่อกันมาเช่นเดียวกับกระดูกที่มีต่อเนื่องกันมาแต่เริ่มแรกเกิดเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้จะถือว่ากระดูกเป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นกระดูก ก็ต้องเป็นความเห็นผิดเป็นความถือผิดจากความจริงซึ่งเป็นที่นาอับอายความจริงอย่างยิ่งที่มิได้เป็นไปตามความสําคัญมั่นหมายใดๆเลยขณะที่กําลังคลี่คลายแยกแยะกระดูกับเวทนาเพื่อทราบความจริงนั้นจิตและสติปัญญาต้องจดจ่อและทําหน้าที่ด้วยความสนใจกับงานนั้นจริงๆจะส่งจิตไปอื่นไม่ได้ต้องหมุนตัวอยู่กับกิตที่กําลังพิจารณาและพิจารณา ย้อนหน้าย้อนหลังจนเป็นที่เข้าใจประจักษ์จะพิจารณากี่ที่ไม่สำคัญแต่พิจารณาจนเข้าใจอันเป็นจุดมุ่งหมายของงานนี้เมื่อเข้าใจชัดเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วจิตย่อมซึมซาบไปในอวัยวะอื่นๆซึ่งมีลักษณะเหมือนกันไปเองอันดับต่อไปในเวลาเดียวกันก็แยกเวทนากับกจิตออกทดสอบทเทียบเคียงกันดูด้วยสติปัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นเดียวกับการแยกกายกับเวทนาออกพิจารณา โดยตั้งปัญหาถามตัวเองว่าจิตเป็นเวทนาหรือเวทนาเป็นจิตอย่างไรกันแน่ถ้าจิตเป็นเวทนาจริงดังความสําคัญเวลาทุกขเวทนาดับไปทําไมจิตจึงไม่ได้ดับไปด้วยเราและถ้าเวทนามาเป็นจิตเมื่อจิตมีอยู่ตราบใดทุกขเวทนานี้ต้องมีอยู่ตราบนั้นจะดับไปไม่ได้แต่แล้วทุกขเวทนาทําไมจึงมีเกิดเกิดดับดับ ทั้งที่จิตทรงความรู้ความเป็นจิตอยู่ตลอดเวลาอาการลิโกไม่ได้ดับไปด้วยเวทนาเมื่อเป็นเช่นนี้จะถือว่าจิตกับเวทนาเป็นอันเดียวกันนั้นไม่ฝืนความจริงและไม่อับอายความจริงบ้างหรือที่คิดกลืนความจริงให้กลายเป็นของปลอมไปตามความรู้ความเห็นแบบประปาเถื่อนเช่นนั้นการแยกแยะไม่ว่าแยกแยะ ก, กายกับเวทนาหรือแยกแยกจิตกับเวทนาสติกับปัญญาต้องหมุนติวอยู่ในว ง, งาน ที่ทำจะส่งออกไปอื่นไม่ได้เวลานั้นทุกขเวทนาสแสดงตัวมากเพียงไรสติปัญญายิ่งพิจารณาไม่หยุดย่อนเพื่อรู้ความจริงในสิ่งที่ประสงค์อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจเวทนาจะกําเริบหรือลดตัวลงหรือว่าจะดับไปก็ให้รู้ประจักษ์ในวงการพิจารณาเป็นสาคัญข้อสาคัญอย่าตั้งความหวังให้ทุกดับไปโดยที่พิจารณายังไม่เข้าใจความจริงของกาย ของเวทนาและของจิตว่าต่างอันต่างเป็นความจริงของตนอย่างไรกันแน่พิจารณาจนเข้าใจทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตเมื่อเข้าใจด้วยสติปัญญาจริงๆแล้วกายก็สักแต่ว่ากายไม่ได้นิยมว่าตนเป็นทุกข์เป็นเวทนาเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาอยู่เท่านั้นไม่นิยมว่าตนเป็นกายเป็นจิตแม้จิตก็สักแต่ว่าเป็นจิตอยู่เท่านั้นไม่นิยมว่าตนเป็นกายเป็นเวทนาดังที่เคยสําคัญแบบ สุ่มๆเดาๆมาแต่เวลาที่ยังไม่ได้พิจารณาให้เข้าใจพอสติปัญญาพิจารณารอบแล้วทุกเวทนาทั้งหลายก็ดับลงในขณะนั้นไม่กำเริบต่อไปจิตก็รวมลงอย่างสนิทชนิดไม่รับรู้กันเลยอีกประการหนึ่งแม้จิตจะไม่รวมลงถึงขั้นดับสนิทแต่ก็ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากเวทนาคือกายก็จริงเวทนาก็จริงจิตก็จริงต่างอันต่างจริง ตางอันต่างอยู่ตามความจริงของตนขณะที่ต่างอันต่างจริงนั้นจะได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและเห็นความอาจหันของจิตว่าสามารถแยกตนออกจากเวทนาทั้งหลายได้อย่างอัศจรรย์เกินคาดนอกจากนั้นยังเกิดความอาจหันต่อความเป็นความตายที่ขวางหน้าอยู่อย่างไม่สะทกสทานใดๆอีกด้วยเนื่องจากได้เห็นหน้าตาเวทนาที่เคยหลอกลวงให้กลัวเป็นกลัวตายอย่างประจักษ์ใจแล้วในขณะนั้นคราวต่อไป แม้เวทนาจะแสดงความกล้าสาหารมากมายขนาดใดใจก็สามารถพิจารณาได้ทำนองที่เคยพิจารณาและเข้าใจมาแล้วการรู้เห็นอย่างนี้แหลคือการรู้เห็นสัจธรรมด้วยสติปัญญาแท้แม้จะไม่ใช่รู้เห็นขั้นเด็ดขาดฟาดกิเลสให้จมไปโดยสิ้นเชิงก็ตามแต่กิเลสจะจมมิดหัวไม่มีฟื้นได้ก็ต้องอาศัยวิธีนี้เป็นเครื่องดาเนินในวาระต่อไปท่านผู้ใดกล้าหารต่อสู้กับทุกเวทนา ด้วยการพิจารณาตามวิธีนี้ไม่ยอมถอยทับ พ, พ, พับบัลลังแบบสิ้นท่าท่านผู้นั้นต้องกำชัยชนะจากวิธีนี้โดยไม่มีทางสงสัยทั้งยังจะเห็นรอยพระบาทที่พระาศาสดาขับพระสาวกสเสด็จไปอย่างสดสดรนร้อนโดยลำดับและอาจลืมคำว่าพระองค์ปรินิพานไปได้ 2,500 ปีเศษแล้วซึ่งแสนานานก็ได้เพราะความริงกับาศาสดาเป็นอันเดียวกันาศาสดาแท้มิใช่การสถานที่บุคคล พอจะเปลี่ยนแปลงห่างเห็นว่าไกลกันริปหรับกับเราตั้ง 2,500 ปีเศษแต่คุณทราบว่าความจริงอยู่ที่ใดศาสตาก็อยู่ที่นั้นเพราะทําเกิดจากความจริงที่พิจารณารู้เห็นอย่างเต็มภูมิไม่นอกเหนือไปจากนี้ดังนั้นท่านที่สามารถพิจารณาทุกขเวทนาจนถึงความจริงของกายของเวทนาของจิตย่อมเห็นธรรมอย่างประจักษ์โดยลําดับซึ่งไม่นิยมการสถานที่ เป็นเครื่องพิสูจน์ตัดสินเลยดังธรมแสดงไว้ว่าดูก่อนอานน์ถ้าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่พระอระหันต์ย่อมไม่สูญจากโลกดังนี้ซึ่งเป็นพระโอวาทที่ตรัสเพิ่งสิ้นพระกระแสเสียงไปเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นเพราะธรรมของจริงย่อมไม่ขึ้นกับเวลานาทีอะไรเลยแต่จริงอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าความจริงในโลกทั้งส การอธิบายวิธีพิจารณาทุกขเวทนานี้เป็นเพียงโดยย่อพอเป็นคติแก่ท่านผู้มีนิสัยในทางเป็นนักต่อสู้เพื่อกู้ภพชาติประหยัดความเกิดตายไม่ปล่อยให้เรี่ยราาสา์กระจายไปตามภูมิกำเนิดต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อทรงวิมุตติหลุดพ้นไม่กังวลกับกองทุกน้อยใหญ่ทั้งหลายอีกต่อไปเป็นเวลานานซึ่งแสนน่าราคาญและกังวลใจนักหนาได้นาไปพิจารณาเพื่อหาทางออก โดยอาศัยกองทุกในขันเป็นหินรับสติปัญญาให้คมขลาาตามแต่อุบายจะพลิกแพลงแก้ไขตน ด, ววด้วยวิธีต่างๆซึ่งมีมากมายเหลือที่จะนำกล่าวได้ละเอยียดทั่วถึงเพราะการพิจารณาทำทั้งหลายเป็นเทคนิคของแต่ละรายจะผลิดมาใช้เพื่อเปลื้องตนใครเป็นนักใคร่ครนไตรตรองผู้นั้นจะเจอทางออกจากกองทุกในเรือนจาแห่งวัสตตงสารมีพระนิพพานเป็นที่สถิตมีความสงบสุขเป็นนิจ n i r แต่ใครกลัวทุกข์ไม่ยอมพิจารณาก็เท่ากับสงวนหัวน้ำที่ฝังจมอยู่ในฝ่าท้าไว้ให้กาเริบเป็นหนองและทำความเจ็บปวดแสบร้อนนอนคลางไปนานและอาจทำความกำเริบจนเท้าเสียใช้การอะไรไม่ได้กลายเป็นคนพิการง่อยเปรี้ยเสียอวัยวะไปได้ส่วนผู้เห็นภัยก็รีบถอดถอนน้าออกเสียแม้จะเจ็บปวดเพียงไรในขณะนั้นก็ยอมทนเอาแผลก็น้ำวันจะหายความเจ็บปวดก็ไม่ทรมานไปนาน และมีวันจะหายกลายเป็นผู้หมดทุกข์กังวลในวันข้างหน้าเพราะความกล้าเผชิญทุกเพื่อนําสุขมาสู่ตนท่านผู้นี้นับว่าสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนโดยถูกทางท่านทีกลาหารต่อสู้พิจารณาทุกขเวทนาในขันข้อเช่นกันแม้ทุกจะมีมากน้อยก็สามารถพริจารณาจนรู้ทั่วถึงความจริงทุกส่วนไม่สงวนไว้เพื่อก่อไฟเผาตนไปนานคําว่านิพพานจะเป็นสมบัติอันพึงพอใจในวันหนึ่งแน่นอนหนีไม่พ้น ท่านว่าทุกควรกําหนดรู้นั้นกําหนดจนรู้ประจักษ์ใจจริงๆดังที่อธิบายมานี่แหลชื่อว่ากําหนดรู้และละสัจจะทั้งสองคือทุกข์กับสมุทยัยด้วยมากคือสติกับปัญญาที่ทํางานถ อ, อนกิเลสไปพร้อมๆในขณะเดียวกันท่านว่าทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนั้นถ้าไม่นําสติกับปัญญาซึ่งเป็นองค์ของมากมากําหนดรู้และละถอนแล้วจะ อ, อะไรมารู้และมาละถอนนิโรธ ความดับกิเลสกองทุกทั้งหลายจึงจะมีทางดับทุกได้จำต้องนำสติกับปัญญามาทำงานด้วยในขณะเดียวกันทุกก็จะดับไปโดยลำดับจนดับสนิทด้วยอำนาจของมรรคจึงเป็นทางแสดงออกได้การเกี่ยวโยงกันระหว่างสัจธรรมทั้งสี่จึงแยกกันไม่ออกต้องทำงานเกี่ยวเนื่องกันเหมือนลูกโซ่ตลอดไปแต่ต้นจนอวสานสติปัญญาที่เป็นองค์ของมรรคมีกำลังมากเพียงไร กิเลสชนิดต่างๆก็ย่อมอ่อนกําลังลงเพียงนั้นแม้นิโรธความดับแห่งกิเลสกองทุกทั้งหลายย่อมค่อยๆดับไปตามกําลังของมรรคจนไม่มีกิเลสกองทุกเหลือหลออยู่ภายในกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาล้วนๆโดยไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนแต่มีอยู่ที่ใจดวงหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละคาว่าพุทธแท้ก็หมายอันนี้ธรรมแท้ก็หมายอันนี้สังฆะแท้ก็หมายความบริสุทธิ์นี้คําว่าธรรมคืออะไรก็คืออันนี้แหลที่เป็นธรรมแท้ ซึ่งโลกกราบไหว้ไฟฝันมานานท่านผู้ประสงค์อยากพบอยากเห็นธรรมแท้คืออะไรอย่างถึงใจจึงไม่ควรมองข้ามการอบรมใจดวงพร้อมที่จะเป็นธรรมทั้งแท่งอยู่ทุกเวลานี้การแปลชื่อของธรรมว่าคืออะไรจะแปลจนจดขอบฟังมหาสมุทรทะเลก็ไม่มีวันหายสงสัยได้แปลไปกว้างกวางเท่าไรความสงสัยไม่มีทางสิ้นสุดยุติลงได้เช่นเดียวกับคนไม่เคยเห็นเพชรนินจินดา แม้จะถ่ายภาพมาดูจนกองทะบภูเขาก็เป็นเพียงภาพของเพชรนินจินดาอยู่เท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงของเพชรนินแท้พอจะทําการสงสัยให้หายได้ด้วยการดูภาพนั่นเลยแต่จะทำให้หายสงสัยได้ด้วยการเห็นเพชรนินอันแท้จริงฉะนั้นทมจึงเป็นธรรมชาติลึกลับเมื่อ ย, ยังคนไม่พบแม้จะอ่านทำเรียนทได้มากมายเพียงไรก็เท่ากับการถ่ายภาพเพชรนินจินดามาให้คนไม่เคยพบเคยเห็นดูกันนั่นแหล จะไม่สามารถตัดความสงสัยได้เลยการตัดความสงสัยในธรรมว่าคืออะไรเป็นต้นได้นั้นจึงควรเรียนเรื่องของใจซึ่งเป็นเรื่องของธรรมโดยตรงเรียนรู้มากเพียงไรย่อมจะทราบเรื่องตัวของธรรมมากเพียงนั้นจนทราบธรรมโดยตลอดทั่วถึงภายในใจตัวเองเมื่อทราบประจักษ์กับใจโดยสมบูรณ์แล้วย่อมสิ้นสงสัยลงในทันทีทันใดและสิ้นสงสัยตลอดการคาว่าธรรมคืออะไรก็คือสิ่งที่ ร, รู้เห็นอยู่กับใจนี้เองจะเป็นอะไรอื่นมาจากไหนแต่ทั้งที่รู้อยู่อย่างเต็มใจเวลาจะอธิบายให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมแท้นั้นไม่มีทางอธิบายได้เลยเพียงเปรี่ยบไปเปลยไปอย่างนั้นเองเหมือนเวลาเกิดคันภายในลําคอขึ้นมาไม่ทราบจะเกาวอย่างไรให้ถูกกับจุดที่คันนั้นได้เกาวเท่าไรก็เกาได้แต่ภายนอกส่วนภายในที่คันจริงๆเกาไม่ได้เกาไม่ถูกทั้งที่รู้จุดที่คันอยู่อย่างเต็มใจฉะนั้น ดังนั้นคำว่าทรรมจึงเป็นธรรมชาติละเอียดสุขุมมากในความรู้สึกทั่วๆไปและมีผู้สงสัยใจถามกันยุ่งตลอดมาแต่ก็ไม่มีท่านผู้ใดาสามารถอธิบายให้เป็นที่เข้าใจพอหายสงสัยได้ตลอดมาและยังแน่ใจว่าตลอดไปอีกเช่นกันท่านนักปฏิบัติที่ทรมานตนด้วยความเด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนๆเช่นการนั่งต่อสู้ทุกเวทนาด้วยสติปัญญาไม่ท้อถอยมักเจอทำดวงที่ แย่ยากๆอธิบายยากๆเร็วกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นโดยมากครูอาจารย์ที่ได้ทําเด็ดๆจังๆมาสอนหมู่ชนท่านมักได้ด้วยวิธีดังกล่าวเป็นส่วนมากมากกว่าได้โดยทางธรรมดาที่ค่อยเป็นค่อยไปแม้เวลามาสอนพวกอื่นก็มักจะสอนตามนิสัยที่ท่านเคยฝึกอบรมมาคือสอนชนิดเผ็เดๆร้อนๆทั้งกิริยาอาการและซุ่มเสียงอัดทำ ม, มันกลมกลืนกันไปในขณะเดียวกันดังท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่าง แต่ผู้ตั้งใจต่ออัดรมจริงๆฟังแล้วถึงใจได้ผลผิดธรรมดาอยู่มากผู้เขียนเป็นคนป่ามีนิสัยหยาบมาดั่งเดิมจึงชอบการแสดงแบบนั้นมาประจำนิสัยไม่จืดจางกิเลสคงยังหยาบ อ, อยู่มากจึงชอบของแข็งๆตีเอาตีเอาใจรู้สึกหมอกง่ายไม่กล้าลำพองพยองตัวยั่วยุนักเหมือนที่เคยเก่งกาฉลาดกว่าครูตอนที่ยังไม่เคยพบของแข็งของคมศับเคศ ท่านอาจารย์มั่นท่านรู้นสายคนเก่งมเมื่อเรื่องเรื่องเราจึงมักมอบแต่เครื่องดัดสรานเจบอล น, นี่ให้เสมอมาแทนที่จะยื่นผลไม้ลูกหอมหวานให้เมื่อถูกยาขนานสําคัญสําคัญหนักหักเข้าเพียงได้ยินเสียงและได้ยินชื่อท่านเท่านั้นเจบอล น, นี่วิ่งหาที่หมอปหลบซ่อนเร็วยิ่งกว่าลิงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมและเหมาะสมเสียลืเกินแม้ทุกวันนี้เจบอล น, นี่ยังกลัวท่านอยู่เลยไม่หาดโดดกิ่งนั้นกิ่งนี้อย่างโลดโผนนัก เพียงระลึกถึงท่านก็มอบราบทันทีท่านที่ชอบเที่ยวหาที่เด็ดเป็นที่บำเพ็ญหนึ่งท่านที่ชอบนั่งอยู่ในที่ปลุกปรี่ยวน่ากลัวหนึ่งท่านที่ชอบอดอาหารเพื่อเร่งความเพียรอย่างถึงใจหนึ่งท่านที่ชอบนั่งสมาธินานและต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาหนึ่งและท่านที่ชอบฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างเหล่านี้เวลาสนทนาธรรมภายในกับท่านรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างบอกไม่ถูก ธรรมที่ท่านเล่าให้ฟังแต่ละครั้งเป็นธรรมที่เกิดจากจิตใจจริงๆทั้งแปลกทั้งพิสดารทั้งอัศจรรย์หาฟังได้ยากดูกริยาท่าทางเคร่งขรึมสำรวมเป็นที่น่าขยาดครั่นคร้ามอยู่ภายในสมกับธรรมที่ท่านระบายออกอย่างแท้จริงและน่าเลื่อมใสยอย่างลึกซึง้งแต่กับบุคคลทั่วๆไปท่านทําตัวเหมือนคนโง่ที่ไม่รู้อัดรู้ทําอะไรเลยพูดน้อยไม่ชอบสังคมกับใครชอบอยู่ลําพังคนเดียว ชอบไปคนเดียวไม่ชอบเทศชอบสนทนากับใครเหมือนไม่รู้อะไรเสียจริงๆแต่กับผู้สนิทสนมเวลาท่านพูดฟังแทบไม่ทันทําไม่ทราบไปเอามาจากไหนไหลออกมาเหมือนหน้าเหมือนท่าไม่มีอัดมีอัน้นพูดไม่ค่อยซ้ํำซากวันหนึ่งได้เรื่องหนึ่งมาพูดอีกวันหนึ่งได้เรื่องหนึ่งมาสนทนาซึ่งเป็นธรรมภายในล้วนๆเมื่อคิดเดาตามความรู้สึกแล้วท่านน่าจะรู้ธรรมขึ้นภายในใจเรื่อยๆในวันเวลาหนึ่งหนึ่ง สมกับเป็นผู้มีความเพียรกล้าไม่กลัวตายไม่หมายป่าชาถึงการเวลาแห่งชีวิตสังหารที่ไหนคงสลัดทิ้งอย่างไม่อาลัยเสียดายเลยผิดกับคนทั้งหลายมากราวฟ้ากับดินการขบฉันก็ง่ายอะไรอะไรได้ทั้งนั้นการพักอยู่หลับนอนก็ง่ายการไปก็ง่ายไม่ห่วงหน้าห่วงหลังก้นเบาหูไวใจเด็ดราวกับเพชรฝังเพชรไว้ในใจเวลาเข้าทางจงกรมแล้วกี่ชั่วโมงก็ไม่ออกมา ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนประกอบความเพียรเหมือนคนมีราตรีเดียวเสมอกันเวลาเข้านั่งสมาธิภาวนาร่างกายเป็นเหมือนหัวตอกี่ชั่วโมงไม่ยอมลุกจากที่ทําแบบให้เกิดความอัศจรรย์แก่เราผู้ได้เห็นได้ชมเสียทุกอย่างไม่มีทางต้องติและเป็นคติทุกอย่างอันดีทุกๆอิริยาบถเมื่อเป็นเช่นนั้นกิเลสจะมีจำนวนกี่พันกี่ล้านตัวก็พลอยถูกทําลายด้วยความเพียรท่าต่างๆ นอนตายกองกันอยู่ในที่ต่างๆกองเท่าภูเขาเป็นแน่ถ้าเป็นเหมือนด้านวัตถุคือตายอยู่ในทางจงกรมบ้างตายอยู่ที่นั่งสมาธิภาวนาบ้างตายอยู่ใต้ร่มไม้ชายเขาบ้างตายอยู่บนหินดานกลางเขาบ้างตายอยู่ตามหินผาหน้าถ้ำบ้างตายอยู่เงื่อมผาป่าไม้บ้างตายอยู่ตามป่าช้าป่าชัดบ้างตายอยู่ในที่นั่งที่ยืนที่เดินทำความเพียรบ้าง ตายอยู่บนที่นอนหมอนมุงบ้างทั่วบริเวณสถานที่ทำความเพียรต่างๆถ้ากิเลสเป็นตัวเป็นตนเหมือนสัตว์เหมือนคนก็คงเป็นป่าช้าที่น่ากลัวมากมีทั้งผีดิบผีสดผีตายเก่าตายใหม่และตายด้วยการถูกทําลาย mm. เพราะความเพียรวิธีต่างๆจนไม่ชนะจะเผาจะฝังซากศพนั่นเลยถูกผู้เป็นนักกลัวผีไปเจอเข้าหน้ากลัวจะไม่มีลมหายใจวิ่งกลับไปบ้านเพราะผีกิเลสชนิดต่างๆถูกสังหารทําลาย ด้วยน้ำมือของท่านผู้กล้าตายในสงครามแห่งวัตวุน์มากต่อมากรวมทั้งตายเก่าตายใหม่ตายทับตายถมตายเกลื่อนกราดบาดตาสลดใจที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาในชีวิตจนประมาณไม่ถูกแต่ท่านผู้สังหารกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรท่านกลับเป็นผู้สบายหายกังวลหมนหมองสนุกครองมหาสมบัติภายในอันประเสริฐแต่ผู้เดียวไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องหุ่นวาย ผิดกับสมบัติภายนอกซึ่งมีมากมายเพียงไรคอยแต่จะหลุดมือหายไปด้วยเหตุต่างๆทั้งจากตัวเองเป็นผู้ทำลายสังหารทั้งจากโจรจากมารซึ่งมีมากยิ่งกว่าตาสับปะรดนอนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์เพราะการคอยระวังรักษาแม้ฉะนั้นยังกลับเป็นภัยแก่เจ้าของอีกด้วยดังธรรมท่านว่าโลโภธรร ม, มานานังปริปันโทความโลภเป็นภัยแห่งธรรมคือความสงบเย็นทั้งหลาย ดังนี้ผู้มีความโลภเข้าครองเป็นเจ้าอํานาจศาสนาบนหัวใจแล้วธรรมคือความสงบสุขย่อมไม่มีทางเจริญงอกงามในใจได้ต้องถูกความโลภทําลายหายสูญเกลี้ยงไม่มีเหลือหลออยู่ได้ฉะนั้นผู้หวังความผาสุขเจริญใจด้วยธรรมเป็นที่จอดแวะพักพิงจําต้องสํานักตัวกลัวความโลภอันเป็นตัวมหาวินาศและทําความเข้มงวดกวดขันมันที่คอยทําลายธรรมภายในใจอยู่ทุกเวลา อร่าปล่อยให้เป็นเจ้าอำนาจซึ่งอาจถึงขนาดทําเราให้ตายทั้งเป็นก็ได้ถ้าเผลอตัวมั่วสมกับมันมากนักความโรคตัวนี้ถ้าเป็นสัตว์ก็คือสัตว์ตัวคอยทํำลายโลกไม่เคยทําคุณให้แก่ใครแม้แต่น้อยเลยถ้าเป็นเชื้อโรค ก, ก็เป็นชนิดที่โรคขยดคขัรนคร่ามมากยากจะรักษาให้หายได้ถ้าลงได้เกาะกินรายใดเขาแล้วเป็นโรคชนิดที่ผู้นั้นต้องหมดหวังทั้งที่ลมหายใจยังมีอยู่ เพียงรอวันเวลาที่วาระสุดท้ายปลายแดนของชีวิตจะสิ้นลงเท่านั้นอย่างอื่นที่โลกต้องการนั้นไม่มีหวังจากโรคพันนี้ดังนั้นผู้หวังสารคุณเป็นเครื่องหนุนเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยหายใจเต็มปอดทั้งปัจจุบันและอนาคตจึงควรเริ่มคิดนึกตรึกตรองเพื่อเห็นโทษของมันที่บรรจุโทษไว้อย่างเต็มตัวยิ่งกว่าวัตถุระเบิดเครื่องทาลายเป็นไหนๆเพราะวัตถุเครื่องทาลายต่างๆ โดยมากเวลาแสดงตัวย่อมมีเสียงสะเทือนสะทานขู่คำรามให้ปรากฏพอโลกได้ทราบฤทธิ์ของมันและเกิดความกลัวรีบพากันหาที่หลบซ่อนจนสุดวิสัยที่จะตะเกียกตะกายเพื่อหลบภัยเอาตัวรอดได้ส่วนความโลกออกแสดงตัวไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ชอบวางกลับดักไว้อย่าง ล, ลึกลับในหัวใจคนทุกชาติชั้นวรรณะนะแม้พระเนเนเทนชีก็ไม่เลือกหน้าว่าจะเปล่ขาบางเลย แถวหัวใจต่ำซามพอมันก้าได้ต้องก้ามาขยี้มาเป็นเครื่องมือมาเป็นคนงานของมันทันทีและตั้งโรงผลิตลงที่หัวใจดวงนั้นบังคับบัญชาใจผู้ที่มันฝึกอบกรมมาจนเกียวชาญคล่องแคล่วให้ออกทำงานคิดหาไรได้ร่ำรวยด้วยอุบายวิธีต่างๆจะได้มาด้วยวิธีผิดๆ พ, พลาดพาดฉลาดแกมโกงใดๆเป็นเอาทั้งนั้นขอแต่ให้ได้มาก็เป็นที่พอใจของนาย ผู้ตั้งรายรับรายจ่ายเวสูงจนใจที่มีความระลึกรู้บุญบาปอยู่บ้างบรรดามนุษย์ทึ่จะทำทั่ ว, วไปไม่สามารถอาจเอื้อมทำลงได้มันมอบหน้าที่ให้พนักงานตัวโปรดสำคัญคือใจเป็นผู้ดำเนินงานคิดคน้นและสั่งเสียกิจการต่างๆออกทางกายทางวาจาให้เที่ยวสสแสวงหารายได้คนละทิศละทางทั้งใกล้และไกลทั้งในละนอก ทั้งทางน้ำและทางบกทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเว้นแต่เวลาหลับตามสถานที่ต่างๆที่เห็นว่าเหยื่อชุกชุมมากทั้งกอบโกยทั้งโรยทุกลงบนหัวคนไม่ไว้หน้าว่าเป็นใครทั้งกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำได้ทั้งที่แจ้งที่รับไม่มีกระดาษอายว่าใครจะตาหนิตีเตียนและเกลียดขี้หน้าหรือเกดแค้นเพียงไรขอให้ได้ตามคาสั่งของมหาอานาจ คือโลโพธรรมมานังปริปันโทก็เป็นที่พึงพอใจการเก็บรักษาไม่ยอมให้รัวไหลไกลมือนั้นนายโลคต้องสั่งเก็บแบบไม่คิดว่าโลกกว้างแสนกว้างจะมีที่เก็บหรือไม่แต่เก็บสั่งสมเสียจนลืมคิดว่าเรานี้จะฝืนเป็นคนอยู่ค่าฟ้าท้าทายความตายตลอดไปหรือเป็นคนมีป่าช้าเหมือนมนุษย์ทั่ ว, วไปหรือเป็นคนประเภทไหนกันแน่เพราะมันร่ายมนปิดหูปิดตาและปิดใจไวอ้อย่างมิดชิด ชนิดไม่ให้มีโอกาสเหลือบมองดูหน้าตามันว่ามีความรับลมคมในประการใดบ้างเลยแม้อาการของความโรคที่พาให้แสดงตัวออกมาก็ไม่มีท่าทางที่น่าดูเลยไม่ว่าจะพาให้มนุษย์เพศวัยใดแสดงหรือคนชาติชนวนณะใดามีอํานาจมากน้อยเพียงไรแสดงไม่เป็นที่น่าดูเอาเลยนอกจากหน้าเกลียดหน้าเอือมระอาหน้าโลกจะแตกวันไล่ไปถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะไฟแห่งความโลค ระบาดเผาพลานทนหมกตัวอยู่ไม่ได้เพราะเหตุดังที่รู้ ร, รเห็นเห็นกันอยู่อย่างเต็มตาเต็มใจไม่ปิดบงังลี้ลับนี่นี่แหละทำของพระเจ้าจึงควรได้รับรองยืนยันส่งเสริมว่าเป็นสวาขาธธรรมที่ตรัสไปชอบแท้ดังความโรคทีท่านแสดงไว้ว่าเป็นอันตรายแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองที่ท่านว่าความเป็นภยัยก็มิได้ว่าไว้เพียงวันนี้และวันนี้เท่านั้น แต่ธรรมนี้เคยปรากฏแก่โลกมานานพร้อมกับศาสนาที่นำออกประกาศสอนโลกโลกจึงพอทราบหรือพอเดาได้ว่าความโลภนี้เคยเป็นภัยแก่โลกมานานเช่นเดียวกับธรรมที่สอนไว้เป็นเวลานานจึงควรรู้สึกโทษของมันบ้างแม้ชั่วขณะฟ้าแลบก็ยังจะมีความสงบสุขชั่วระยะหนึ่งไม่มืดมิดปิดตาอยู่ตลอดไปภัยตัวโลภนี้ไม่เคยทาคุณให้แก่ผู้ใดแต่ไหนแต่ไรมา แม้ใครจะชมมันว่าดีทั่วโลกแต่ผลจะไม่เป็นไปตามความคิดความคาดหมายของใครทั้งสิน้นต้องเป็นไปตามแผนของมันที่เคยเป็นมาดั้งเดิมอันตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนักปราท่านฆ่าความโลภตูอุบาทได้แล้วท่านอยู่เป็นสุขผิดกับพวกเราที่ต่างพากันส่งเสริมความโลภให้เจริญและมีอำนาจยิ่งขึ้นจนแทบจะไม่มีโลกให้มันอยู่ถ้าเป็นวัตถุเช่นกับวัตถุทั้งหลายต้องลดโลภไม่มีที่เก็บเลย เพราะต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างน้าออกใช้อย่างออกหน้าออกตาจนลืมสํานึกในความกระดากอายภูมิมนุษย์ของตัวที่ได้รับยกย่องว่าเป็นภูมิที่สูงส่งด้วยความฉลาดและศีลธรรมแม้จะสแสวงหาทรา์สมบัติมาได้กองทัพูเขาเพราะอำนาจแห่งความโลภที่ผิดทางเป็นผู้บังคับชุดลากให้ทำก็หาความสุขไม่ได้ตลอดวันตายก็ตายไปเปล่าเปล่าเฝ้าแต่กองทุกข์ที่ความโลภพาขวนขวายสร้างไว้อย่างมากมูน ความเป็นสิ่งที่น่าสลดนี้ถึงตัวเองไม่นื้กลัวคนคน อ, นอื่นก็นึกกลัวแทนเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรกล้าหารบทเวลาเผาผลาญมันเผาผลาญจริงๆไม่ไว้หน้าใครเท่าที่โลกทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ประกฏเป็นความเดือดร้อนขึ้นทุกวันแท้พูดได้ว่าเป็นทวีคูณก็เพราะความโลภนั่นแลเป็นตัวจักสาคัญที่ทุกสิ่งจะพึงหมุนตามอย่างยั้งตัวไม่ได้ จะมีอะไรที่ไหนมาเป็นตัวทรงอำนาจราชศักดิ์ให้โลกต้องหมุนตามจนไม่เป็นตัวของตัวอยู่ตลอดมายิ่งกว่าความโลกที่ได้รับเสกสรรปั้นย่อให้เป็นเจ้าใหญ่นายโตบนหัวใจคนอยู่เวลานี้คำว่าเจ้าตัวโลกนี้มันโลภได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลือกหน้าว่าเป็นอะไรขอแต่ให้มันชอบใจแม้พระจันทร์บนฟ้ามันก็บังคับให้ขึ้นไปจับจองปักธงบง่งบอกว่าเป็นเจ้าของได้ไม่เกรงกลัวและอายใครจะคุรย่อเอาบ้างเลย คือกิเลสกรามมันก็ไม่กลัววัตถุ ก, กรามมันก็ไม่ถอยถ้าลงได้ชอบใจแล้วมันโลภอย่างไม่มีเมืองพอตายเป็นตายสู้เสมอไม่มีถอยแม้จะมีเครื่องบำรุงบำเรอแวดล้อมอยู่อย่างพ่อภูนทับถมจนมองไม่เห็นตัวมันมันก็ไม่กลัวหนะักถึงหลังจะหักมันก็สู้ก็แบกไม่มีคำว่ากลัวว่าถอยคำว่าถอยหรือพอทีเถกับเรื่องทั้งหลายพันนี้เป็นไม่ปริปาพูด เพระทองมันไม่ได้หุ้มด้วยหนังด้วยเนื้อเหมือนทองคนทองสัตว์แต่หุ้มด้วยความโลภไม่มีเมืองพอดีชนิดเดียวกันมันจึงอยู่ด้วยกันไปด้วยกันสู้ด้วยกันได้อย่างพอตัวชนิดถึงไหนถึงกันไม่กลัวว่าท้องจะแตกหลังจะหักตัวจะตายและขายหน้าไม่มีชิ้นดีสิ่งที่ท้องต้องใจมีเท่าไรมันเที่ยวกเก็บกวาดมาไว้เต็มหัวใจถ้าใจเป็นเหมือนภาชนะอื่นๆต้องแตกเป็นผุยผงไปนานแล้ว แต่ใจเป็นนมามธรรมอันเหนียวแน่นแก่นทนทานต่อภาวะทั้งหลายจึงพอทนอยู่ได้ไม่บันเลยไปกับสิ่งกดทวงทําลายทั้งหลายซึ่งมีอยู่กับใจเป็นประจำแม้เช่นนั้นเรายังไม่สะดุดใจคํานึงถึงความสําคัญของจิตยิ่งกว่าคํานึงถึงสิ่งทําลายทั้งหลายฉะนั้นใจแม้เป็นสิ่งที่รับทําประโยชน์แก่เราอย่างมหาศาลจึงมากถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามยถากรรม ไม่ควอยมีผู้สนใจเหลียวแลบ้างเท่าที่ควรแต่สิ่งที่เป็นค่าศึกต่อใจนั้นมักจะได้รับความยกย่องชมเชยจากคนทุกชั้นสิ่งนั้นจึงนับวันเพิ่มความฉลาดแหลมคมและฉุดลากใจให้เกิดความชอกช้ำต่ำซามลงไปทุกทีไม่มีเวลาเป็นอิสระได้แม้ชั่วระยะหนึ่งพอให้ได้ทราบ พ, พอให้ทราบได้ว่าขณะนี้เป็นโอกาสของใจที่พอมีความสงบสุขบ้างจากการกดทวงต่างๆสมกับใจเป็นใหญ่ และมีสาระสำคัญในตัวเราตัวท่านทั่วโลกดินแดนแทนที่จะเป็นเช่นนั้นบ้างแต่ใจกลับเป็นผู้ยอมรับสวยผลทนทุกอยู่เป็นนิดทั้งที่มีสมบัติเงินทองมากแทบไม่มีที่เก็บรักษาซึ่งหามาเพื่อบำรุงความสุขทางกายทางใจแต่ไม่สามารถนำมาบำบัดเยียวยาพอมีความสุขได้บ้างเท่าที่ควรไม่ทุกร้อนจนไม่มีวันกาหนดปลดปล่อยเสียบ้าง ปฏิปทาที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านพยายามตะเกียกตะกายเพื่อความหลุดรอดด้วยวิธีต่างๆดังที่ท่านกําลังอ่านอยู่ขณะ น, นี้นอกจากเกี่ยวกับกิเลสตุขุบายเหล่านี้เป็นเหตุให้ท่านต้องทนทุกข์ทรมานด้วยข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดมันแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าท่านทาเพื่ออะไรที่พอทราบและมาลงนี้ก็ล้วนแต่อุบายวิธีที่ท่านผู้หวังเล็ดรอดจากบ่วงมานที่กล่าวมาท่านพยายามเสือกคลานตามสติกําลังความสามารถของแต่ละท่าน ดังที่เห็นความแปลกต่างกันในวิธีดำเนินองค์หนึ่งหนักไปในทางหนึ่งองค์ที่กําลังพนานาเรื่องท่านยังไม่จบคือองค์ชอบนั่งสมาธิน า, นานเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อรู้แจ้งทุกขเวทนาในกายในใจแต่เผอิญมีเรื่องกิเลส ต, ตัวโลภเข้ามายุ่งในวงการจึงได้หยิบยกขึ้นแสดงพอหายเพอ้อบ้างตามนิสัยคนมักเพอ้อแล้วจึงได้ย้อนกลับมาแสดงเรื่องท่านต่อไปอีกหวังว่าท่านผู้อ่านคงทราบคนมีนิสัยเลยขอบเขตได้ดี และให้อาภัยตามเคยเท่าทีทราบมาในวงปฏิบัติพระทุดงที่ท่านชอบฝึกทรมานตนด้วยการนั่งนานๆ น, นั้นรู้สึกมีมากอง์เช่นเดียวกับวิธีอื่นมีการผ่อนอาหารหรือัดอาหารเป็นต้นโดยท่านให้เหตุผลว่าการนั่งนานมิได้นั่งเพื่อต่อสู้กับทุกเวทนาแบบตื้อที่ไม่ใช้หัวคิดปัญญาแต่นั่งด้วยการใช้หัวสู้ด้วยหัวคือสติปัญญาเป็นต้น หัวคิดปัญญาเพื่อรู้แจ้งเวทนาทั้งหลายอันเป็นหลักสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในกายในจิตการกําหนดทุก เ, เวทนาด้วยวิธีเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆนั้นท่านว่าเมื่อพิจารณาแล้วเป็นเรื่องเรากลัวทุกต่างหากมิใช่เรื่องสู้เพื่อรู้ทุกเพราะอิริยาบถปิดบังทุกขไม่สามารถ ม, ามองเห็นทุกได้อย่างประจักษ์พอเชื่อตัวเองได้ในคราวจําเป็นการรู้เห็นความจริงในสัจธรรมมีทุกเป็นต้นนั้นรู้เห็นด้วยการต่อสู้ในเวลานั่ง รู้สึกว่ารู้เห็นอย่างถึงเหตุถึงผลถึงจิตถึงใจจริงๆเป็นที่แน่ใจและเชื่อตัวเองได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่สะทกสะทานหวั่นไหวต่อทุกขเวทนาแม้จะมีความกล้าสาหัสเพียงไรในเวลานั้นตลอดวาระสุดท้ายคือความ ต, ตายที่เคยหวาดกลัวมาประจำนิสัยก็ไม่มีกลัวเพราะการกลัวตายกับกลัวทุกข์ขึ้นอยู่ในฉากอันเดียวกัน ซึ่งเป็นการฝืนความจริงอันเกิดจากการพิจารณาไม่รอบคอบตามหลักความจริงเมื่อพิจารณารอบคอบจนเห็นความจริงในทุกข์และความจริงในคําว่าเกิดว่าตายอย่างถึงใจแล้วจะกลัวลมโกลัแรงไปหาประโยชน์อะไรเพราะตามธรรมชาติของธาตุสีคือดินน้ำลมไฟประชุมกันในร่างกายและสภาพของใจแล้วต่างก็เป็นธาตุดั้งเดิมและเป็นของไม่ตายด้วยกันเป็นเพียงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นคือธาตุสี่ เมื่อสลายจากส่วนผสมแล้วก็ลงไปสู่ธาตุเดิมของตนอยู่เท่านั้นไม่ได้ฉีบหายไปไหนส่วนใจก็เป็นใจอยู่ตามเดิมทั้งที่อาศัยอยู่ในร่างคนร่างสัตว์ชนิดต่างๆในสามภพทั้งที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในร่างใดๆเช่นใจของพระพุทธเจ้าพระประเจเจกพุทธเจ้าและพระขีนาสพทั้งหลายที่เป็นใจบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจึงไม่ควรจะกลัวที่หาเหตุผลกลไกอะไรไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องก่อกวนจิตใจให้ฟุ้งเฟอ้อขุ่นโมวไปเปล่าๆ เ, เ, เพราะความคิดนั้นเป็นสาเหตุการรู้เห็นสัจธรรมในขณะนั่งพิจารณาต่อสู้กันด้วยสติปัญญานั้นทำให้เกิดความรู้เห็นผลรวดเร็วผิดธรรมดาที่ควรจะเป็นเมื่อได้รู้เห็นแล้วเป็นเครื่องฝังใจและยืนยันในตัวอย่างมั่นคงตลอดไปแม้จะไม่สามารถพิจารณาเห็นความจริงดังที่เคยเห็นแล้วทุกๆครั้งไปก็ตาม แต่สิ่งที่เคยรู้เห็นแล้วย่อมไม่กลับกลายเป็นอื่นคงเป็นความจริงอยู่ภายในใจตลอดไปนอกจากจะทำให้ชันนิชํนนานและกว้างขวางในความจริงส่วนละเอียดยิ่ ง, งขึ้นไปจนรู้เท่าและปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเท่านั้นฉะนั้นการพิจนารณาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในเวลานั่งนานๆก็ดีในเวลาเจ็บไข้ใดทุ ก, ก็ดีจึงเป็นทางให้รู้เห็นสัจธรรมอย่างเปิดเผยได้โดยไม่มีปัญหา สำหรับท่านที่เป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญาจริงๆแต่ทุกขเวทนาทั้งหลายย่อมไม่เกิดประโยชน์แก่รายที่ท้อแท้อ่อนแอแบบนให้ทุกหายไปตามใจชอบโดยไม่ได้พิจารณาเพื่อหาทางออกอะไรเลยทุกยังจะเป็นภัยแก่ผู้นั้นเพิ่มขึ้นโดยลำดับที่คิดฝืนความจริงดังนั้นทุกแม้จะเป็นของมีอยู่ในคนและสัตว์ทั่วนากันจึงไม่ค่อยมีใครสามารถถือเอาประโยชน์จากทุกนั้นได้ โดยมากก ว, ามากว่าเอาทุกที่ไม่พึงปรารถนา น, นั้นมาเผาลนตัวเองด้วยความคิดฝืนทมแทนที่จะพิจารณาเพื่อนำทุกสมุททยออกจากกายจากใจตามส่วนที่ควรแก่ฐานะดังที่าศาสนาสอนไว้พระธุดงค์กรรมฐานท่านมีความรู้ความเห็นผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากดังปฏิปทาที่นำมาลงเป็นเรื่องเป็นแขนงตามที่ท่านเคยดาเนินมานับว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่มาก ทั้งนี้จะว่าเป็นความคิดเห็นและการปฏิบัติที่ออกนอกลูกนอกทางก็ไม่ถนัดใจเพราะหลักปฏิบัติที่ท่านดําเนินนั้นเข้ากับหลักความจริงคือสัจะธรรมได้อย่างสนิทไม่มีที่น่าตองติจะว่าปฏิบัติเพื่อความอวดตัวเย่อหยิ่งก็ไม่ใช่เพราะท่านไม่ได้มีเจตนาเกี่ยวกับเรื่องภายนอกแต่เป็นเจตนาเพื่อฝึกทรมานตนโดยเฉพาะเท่านั้นแม้ผลที่ได้รับก็ถูกตามความมุ่งหมายของธรรมคือรู้สัจธรรมอันเป็นหลักใหญ่ของศาสนา ท่านอาจารย์มั่นเองซึ่งเป็นอาจารย์ของพระกรรมฐานสายนี้ท่านก็ดำเนินแบบนี้และอบรมสั่งสอนสารนุสิตตามที่ท่านเคยดำเนินมามีการสอนให้เป็นนักต่อสู้เพื่อรู้ทุกเวทาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นต้นสำหรับผู้เขียนเองไม่มีสติปัญญาสามารถจะนำปฏิปทาแง่ต่างๆของท่านมาวินิจฉัยเป็นเพียงคิดไปตามประษาว่าถ้าเรามีความอาถารสามารถต่อต้านกับกิเลสกองทุกในขันในจิตของตนได้อย่างท่าน ป่านนี้น่าจะพ้นทุกข์ไปถึงไหนแล้วคงไม่เป็นคนหุ่ม ง, งามสามความคิดไว้พริบปัญญาดังที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งน่ารําคาญตัวเองเหลือประมาณการพูดการเขียนเรื่องของท่านผู้อื่นนั้นเมื่อทราบเรื่องของท่านย่อมพอพูดพอเขียนได้แต่สําคัญที่เป็นคนจนปัญญาของตัวแบบพูดไม่ออกเขียนให้ใครให้ใครฟังใครอ่านไม่ได้จึงได้จะนําเรื่องท่านผู้อื่นมาเขียนลงให้ท่านผู้อาา่านทราบ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์บ้างเท่านั้นเพราะคนเราต่างมีนิสัยวาสนาลึกลับอยู่ภายในไปคนละแง่ละทางท่านจึงมักสอนท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทกันท่านผู้อ่านทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายย่อมมีวาสนาบุญญาพิสมพานมากหรือมากกว่าพระธุดงค์ที่เป็นเจ้าของเรื่องและผู้เขียนราวฟ้ากับดินราวหินกับเพชรแต่ใครก็ไม่อาจทราบได้เท่าที่ตะเกียกตะกายเขียนนี้ก็โดยคิดไปทํานองมหาเศรษฐีมีเงินเป็น ล, ล้าน ย่อมไม่อาจแยกตนออกจากคนใช้ในบ้านได้จำต้องติดต่อใช้สอยเขาอยู่เรื่อยไปในกิจการต่างๆทั้งที่ตนก็เป็นเศรษฐีนี่ก็คิดว่าคนนั้นได้เรื่องหนึ่งคนนี้ได้เรื่องหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังเพื่อถือเอาประโยชน์ตามที่เห็นควรเช่นเดียวกับเศรษฐีถือเอาประโยชน์จากคนใช้ในบ้านฉะนั้นท่านที่อ่านและถือเอาประโยชน์จากวิธีการที่พระท่านปฏิบัติต่อกิเลส ข, ของตนก็น่าจะได้รับประโยชน์บ้างพอควร เพรกิเลสชนิดต่างๆที่มีอยู่กับพระย่อมเป็นชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่ในมนุษย์หญิงชายทั่วไปเราจึงพอมีทางคิดดัดแปลงแก้ไขกิเลสชนิดรดลดผลผ ล, ผลชอบโดนเรื่องนั้นชอบชนเรื่องนี้อยู่เสมอให้อยู่ในความพอดีงามตาเย็นใจได้บ้างไม่เป็นกิเลส ท, ที่แสนงอนเอาใจยากดังที่เคยเป็นอยู่ซึ่งโดยมากมักคล้อยตามมันแทบทุกกรณีจนมันได้ใจและกลายเป็นกิเลส ท, ที่เอาแต่ใจตัวและาพาประพฤติฝ่าฝืนต่าง โดยไม่คํานึงถึงความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่ตนและครอบครัวตลอดวงงานต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบให้กลายเป็นความเสียหายจนไม่มีประมาณพอแก้ไขได้การฝืนกิเลสโดยชอบทำแม้จะน้อยเพียงไรย่อมไม่เป็นความเสียหายนอกจากจะเกิดประโยชน์ไปโดยลําดับจนกลายเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ตนและบ้านเมืองเท่านั้นผิดกับกิเลสฝืนเราและเราคล้อยตามกิเลสไปไหนๆมันฝืนได้มากและคล้อยตามมันมากเพียงไร เราย่อมต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบมันมากเพียงนั้นการปล่อยให้มันฝืนมากและปล่อยตามใจมันมากไปยิ่งนับวันเสียเปรียบมากจนกลายเป็นคนหมดคุณค่าสาระสาคัญในตัวโดยไม่รู้สึกกว่าจะรู้ตัวก็ก้าวเข้าขั้นสุดวิสัยซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งที่เป็นคนทั้งคนแต่ยอมปล่อยตอนเป็นสะพานทอดให้กิเลสชนิดต่างๆไ ต, ต, ต, ต, ต, ต่ข้ามศีรษะเหยียบย่าไปมาราวกับสัตว์ที่ตายแล้ว ผู้เขียนเพียงคิดเรื่องกิเลสเอารัดเอาเปรียบเราเท่านั้นก็นึกโมโหขึ้นมาโดยลืมนึกไปว่าความโมโหก็คือกิเลสตัวหนึ่งซึ่งกําลังไต่ข้ามศาีรษะเหยียบย่าไปมาอยู่เช่นกันแต่การนึกโมโหเพื่อจะเอารัดเอาเปรียบเอาชัยชนะกิเลสซึ่งเราเคยแพ้มันมานานนั้นรู้สึกจะไม่เป็นกิเลสชนิดที่ทําคนให้เสียหากว่ามโมโหให้กิเลสเพื่อแก้แค้นกิเลสของตัวกลับเป็นการเพิ่มพูนกิเลสให้มากมูลขึ้นแล้ว ก็คงไม่มีท่านผู้ใดผ่านพ้นทุกไปได้เพราะความเป็นคนใจจืดไม่มีมาณนะขึ้นัดสู้กับมันบ้างเลยตามสัญชาตยานแห่งการต่อสู้ทั่วๆไปทั้งคนทั้งสัตว์ย่อมมีมาณนะหรือความโมโหเข้าสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจึงมีกำลังใจประกอบงานนั้นๆจนสำเร็จรุร่วงไปได้เพียงเขาเล่นกีฬากันยังมีมานะหรือความโมโหเข้าช่วยสนับสนุนจนวาระสุดท้ายส่วนจะแพ้หรือชนะไม่สาคัญเพราะเป็นคนละเรื่อง พระธุดงบ์วางท่านเ่าว่าความโกรธแค้นระหว่างกิเลสกับท่านรู้สึกจะไม่ผิดอะไรกับเขาทําสงครามกันมันมานะมันเครียดแค้นจนเห็นได้ชัดจริงๆเวลาสู้กับกิเลสตัวสําคัญในคราวสำคัญจนไม่ยอมลด ร, ราวาศอกให้กันเอาเลยกิเลสก็เก่งไปทางหนึ่งที่ชอบเอาชนะเวลาเราเราเผลอตัวเราก็เก่งไปทางหนึ่งที่ชอบเผลอตัวให้มันอยู่เสมอทั้งที่ตั้งท่ามาให้เผลอก็อยังเผลอให้มันจนได้ ตอนรู้สึกตัวว่าเผลอให้กิเลสเอาของดีไปกินเกือบหมดแล้วนี่แหละมานะมันก็ขึ้นความโมโหก็เกิดความเพียรที่ได้รับการสนับสนุนจากมานะกับความโมโหก็เร่งใหญ่จนไม่รู้จักเป็นจักตายไม่รู้จักสุขและทุกข์อะไรเลยเวลานั้นมีแต่ฟาดฟันหันแหลกกันจนสุดฝีมือของสติปัญญาสถาความเพียรที่มีอยู่กว่าจะเอาชนะมันได้แต่ละทอด เราแทบตายไปก่อนให้มันเป็นผู้เผาศพเราก็ยังมีในบางครั้งเพราะความเพียรกล้าหวังเอาชนะกิเลสเป็นทอดทอดไปท่านว่าผมเองทาไม่มีมาณนะความมโหเข้าช่วยรู้สึกทําอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้เป็นอันยิ่งการรอบกับกิเลสความราโมกของตัวด้วยแล้วจะทําเล่นๆแบบคนไม่มีหัวใจนั้นไม่ได้แม้จะเดินจงกรมเกือบตลอดคืนก็ไม่เห็นมีผลพอเป็นที่ระลึกบ้างเลยแต่ถ้าทําแบบนักต่อสู้ อันมีมานะหรือความมโหัวอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าสนับสนุนแล้วความเพียร น, นั้นเป็นความเพียรที่เห็นประจักษ์ใจชนิดจําไม่ลืมในชีวิตแม้ความรู้เห็นนั้นจะไม่ติดต่อกันตลอดไปจึงได้อาศัยวิธีนี้ช่วยตัวเองตลอดมาพอทำสองข้อนี้ห่างจากตัวบ้างกิเลสขยับตัวเข้ามาทันทีจําต้องจับทำนี้แนบกับตัวอยู่ตลอดเวลาจนสงครามระหว่างเรากับกิเลตตสตัดสินกันลงอย่างเด็ดขาดแล้วโดวยฝ่ายเราเป็นฝ่ายชนะทุกประตูนั่นแหละ จึงจะพอผ่อนคลายตัวลงได้ผู้เขียนเป็นคนมีนิสัยดื้อจึงเรียนถามท่านว่าเวลานี้ได้ตัดสินกันแล้วหรื อ, อยังฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะทุกประตูละ่ะท่านยิ้มและตอบว่าการต่อสู้กับกิเลสทุกชนิดด้วยวิธีต่างๆนั้นเราพูดกันได้แต่การชนะนั้นเราคอยฟังกันไปกนแล้วกันผมเชื่อแน่ว่าท่านลงได้ทางานแล้วผลต้องปรากฏไปตามระดับของงานที่ทา นับแต่ส่วนเล็กไปถึงส่วนใหญ่และใหญ่สุดผมเชื่อพระพุทธเจ้าว่าไม่เคยตรัสเป็นสองกับคำหลอกลวงตรัสคำใดคำนั้นต้องเป็นคำจริงเสมอมาจึงเชื่อการกระทาของตัวว่าผลต้องเป็นของตัวแน่นอนนับแต่อยากถึงละเอียดและละเอียดสุดว่าจะต้องได้ครองในวันหนึ่งถ้าไมา่ได้ครองเวลานี้ผู้ถามเวลานี้ท่านครองบ้างหรื อ, อยังตอนนี้ท่านไม่ตอบเลยมีแต่ยิ้ม เท่าที่ทราบมานี้ก็พอจับเงื่อนสาระสำคัญได้ว่าความมุมานะและความโมโหให้กับกิเลส ท, ที่มีอยู่ในตนแล้วทำการแก้ไขหรือแก้แค้นกันด้วยวิธีต่างๆตามอุบายของมรคคือสติปัญญาทำทั้งสองนี้น่าจะกลายเป็นธรรมคือทางมรคอันเป็นฝ่ายแก้ ม, มานะกับความโมโหนี้ก็ไม่เป็นกิเลสถ้าเทียบก็เท่ากับน้ายอกเอาน้ําวงปกติของน้าเวลาปากคนก็ต้องเจ็บปวด เวลานำมาบ่งน้ำออกจากท่าก็เป็นประโยชน์มาหน้ากับควา ม, มโมโหถ้านำไปใช้ในทางผิดก็เป็นกิเลสและเกิดโทษได้ตามส่วนของมันเมื่อนำมาใช้ในทางที่ถูกก็เป็นธรรมและเป็นคุณประโยชน์ตามส่วนเช่นเดียวกันดังพระธุโ์ท่านใช้เป็นธรรมโอสดแก้กิเลสชนิดต่างๆประจามความเพียนท่านเสมอมาข้อนี้ผู้เขียนเห็นด้วยอย่างจริงใจทางนี้พอทราบได้จากวิธีการฝึกทรมานของพระ เ, เจ้า ที่ทรงสละทุกอย่างเพื่อเอาชนะกิเลสทั้งมวลแม้พระชนชีพก็ไม่ทรงอะไราเสียดายและพระษาบอกที่ดำเนินตามปฏิบัทาที่ประทานไว้ด้วยการฝึกทรมานโดยวิธีต่างๆกันซึ่งล้วนเป็นวิธีที่ต้องมุมาณะอย่างแรงกล้าฝ่าฝืนอุปสรรคนานาประการอันเป็นเรื่องของกิเลสชนิดต่างๆหวานร้อมไว้ซึ่งดีไม่ดีอาจติดกับมันได้ไปไม่รอดแต่ท่านพยายามฝ่าฝืนจนผ่านพ้นไปได้ด้วยความมานะ ซึ่งบางครั้งอาจมีความโมโหให้ตัวเองหรือกิเลสของตัวแทรกขึ้นมาในวงความเพียรก็ได้อันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความเพียรกล้าเพื่อความสมใจที่มุ่งหมายตลอดครูอาจารย์เป็นราดับมาถึงนักปฏิบัติทั้งหลายผู้สนใจในธรรมจำต้องนาธรรมทั้งสองอย่างนี้มาใช้อย่างหลีกไม่พน้นเพราะเป็นธรรมเพิ่มพลังทางใจได้ดี การฝึกทรมานตนด้วยบายวิธีต่างๆที่เห็นว่าควรแก่การถอถอนกิเลสบาปทำทั้งหลายได้ย่อมต้องมี ท, ทั้งสองนี้เป็นเครื่องสนับสนุนไปทุกระยะการเพื่อใจจะได้มีความอดาหานและต้านทานกับสิ่งที่เป็นค่าศึกภายในเต็มความสามารถไม่อ่อนแอท้อถอยในเวลาเข้าสู่ตาจนซึ่ง ม, กมักมีอยู่เสมอในวงความเพียรเช่นเดียวกับการเดินทางเข้าดงหนาป่าทึบจำต้องประสบกับเหตุการณ์ที่มีอยู่ตามรายทางเป็นระยะระยะ จนกว่าจะผ่านพ้นไปได้